ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สิบเก้าัปปิยะภูมิวินิชยะกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องกัปปิยะภูมิี ในคำว่าภูมิศีนที่เป็นกัปปิยะนี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้พึ่งทราบกัปปิยะภูมิสี่อย่างเหล่านี้คือหนึ่งอุตสาวนันติกาสองโคนิสาติกาสามข้าหะปฏิสี่สัมมุติเพราะมีพระบาลีอนุญาตไว้ว่าดูก่อนที่คือทั้งหลายเราอนุญาตกัปปิยะภูมิสี่คือหนึ่ง อุตสาวนันติกาสองโคนิสาธิกาสามก้าปติสสัมมุติในบรรดากปิญญาภูมิทั้งสีนั้นพึงกระทำอุตสาวนันติกาภูมิก่อนอย่างนี้คือที่อยู่ใดเขาทาเสียบบนเสาหรือในเชิงฝาศิลาที่รองเสาภายใต้ที่อยู่นั้นมีคติอย่างพื้นดินเหมือนกัน ก็แลเมื่อจะให้ตั้งเสาแรกหรือเชิงฝาแรกที่สูตหลายรูปพึงล้อมกันเข้าเพลงวาจาว่ากัปปิยกุติงกะโรมะแปลว่าเราทํากัปปิยะกุติเราทํากัปปิยกุติเมื่อชนทั้งหลายช่วยกันยกขึ้นให้ตั้งลงพึงจับเองหรือว่ายกเองก็ได้ให้ตั้งเสาหรือเชิงฝา ส่วนในกุรุนีและมหาปัญจรีท่านแกว่าพิสุทั้งหลายพึงให้ตั้งลงกล่าวว่ากัปยะกุติกัปยะกุติหมายถึงว่ากุติที่เป็นกัปิยะในอันท่าอัจากถาแกว่าพึงกล่าวว่าสังคัสสะกัปยะกุติมิทิฏฐานิแปล ว, ว่าข้าพเจ้าอธิษฐานกัปยะกุติเพื่อสงฆ์แต่ถึงแม้จะไม่กล่าวคํานั้นย่อมไม่มีโทษ ในเพราะคำที่กล่าวแล้วตามในที่กล่าวไว้ในอัตฉกิาทั้งหลายแต่ในอธิการว่าด้วยการทำกับปิยภูมิชื่อว่าอุตสาวนันติกามีลักษณะที่ทั่วไปดังนี้ขณะที่เสาตั้งลงและขณะที่จบคำเป็นเวลาพร้อมกันใช้ได้แต่ถ้าเมื่อกล่าวคำยังไม่ทันจบเสาตั้งลงก่อนหรือเมื่อเสานั้นยังไม่ทันตั้งลง กล่าวคําจบเสียก่อนกาพยักุติไม่เป็นอันได้ทำโอ้ละเอียดถึงขนาดนี้นะก็คือกล่าวคําว่ากาพยักษุติงกะโรมะหรือว่ากาพยักุติกาพยกุติเนี่ยจะต้องจบลงพร้อมกับการที่ตั้งเสาลงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้พระพิจูรูปมาช่วยกันตั้งจะได้จบลงพร้อมกันสักองคหนึ่งแหละเพราะเหตุนั้นแลในมหาปัญจเรีท่านจึงแก้ว่า พิสุมากรูปด้วยกันพึ่งล้อมกันเข้าแล้วกล่าวด้วยว่าความจบคําและความตั้งลงแห่งเสาของพิสุรูปหนึ่งในพิสุเหล่านี้จะมีพร้อมกันได้เป็นแน่การสำคัญก็อยู่ที่การจบคํากล่าวว่ากัปปิยะกุติงกรโรมกับการตั้งเสาลงพร้อมกันก็แลในกุฏิทั้งหลายที่มีฝาก่อด้วยอิสิลาหรือดินเหนียวข้างใต้ถุน จะก่อก็ตามไม่ก่อก็ตามที่สุดทั้งหลายปรารถนาจะให้ตั้งฝาขึ้นตั้งแต่อิฐหรือศีดาหรือก้อนดินอันใดพึงถือเอาอิฐหรือศีดาหรือก้อนดินอันนั้นก่อนอันอื่นทั้งหมดทำกับยักุติตามในที่กล่าวแล้วนั่นแลแต่อิฐที่ก่อขึ้นบนพื้นภายใต้อิฐก้อนแรกเป็นต้นแห่งฝาไม่ควรส่วนเสาย่อมขึ้นข้างบน เพราะเหตุนั้นสาวจึงควรในอันพระอัตถกถาแก่ว่าจริงอยู่เมื่อใช้เสาเพื่อธิษฐานเสาสี่ต้นที่สี่มุมเมื่อใช้ฝาที่ก่ออิฐเป็นต้นพึงอธิษฐานอิฐสองสามแผ่นที่สี่มุมแต่ถึงกับปิยะกุติที่ไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่มีโทษเพราะว่าคําที่กล่าวไว้ในอัตถกาถาทั้งหลายเท่านั้นย่อมเป็นประมาณ เพราะฉะนั้นถ้าใช้เสาตั้งลงก็ไปทําอธิษฐานเสานั้นทั้งสี่มุมแต่ถ้าใช้ฝาก็เอาอิฐสองสาก้อนไปอธิษฐานที่สี่มุมเหมือนกันอันนี้เป็นอุตสาหนันติกามีการเปล่งเสียงในที่สุดเป็นเสียงพร้อมกับเสาที่ตั้งลงในหลุมส่วนกัปปิยะกุติที่ชื่อว่าโคนิสาดิกามีสองอย่างคือ อารามาโคนิสาดิกาอย่างหนึ่งกับวิหารโคนิสาดิกาอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นในวัดใดอารามก็ไม่ได้ล้อมเสนาสนะทั้งหลายก็ไม่ล้อมวัดนี้ชื่อว่าอารามโคนิสาดิกาในวัดใดเสนาสนะล้อมทั้งหมดหรือล้อมบางส่วนอารามไม่ได้ล้อมวัดนี้ชื่อว่าวิหารโคนิสาดิกา ข้อที่อารามไม่ได้ล้อมนั่นแลเป็นประมาณในโคนิสาติกาทั้งสองอย่างด้วยประการชนี้แต่ในกุรุดีและมหาปัญจรีแก้ว่าอารามที่ล้อมกึ่งหนึ่งก็ดีล้อมมากกว่ากึ่งก็ดีจัดเป็นอารามที่ล้อมได้ในอารามที่ล้อมกึ่งหนึ่งเป็นต้นนี้ควรจะได้กัปปิยะกุติเพราะฉะนั้นสําหรับโคนิสาติกาที่เป็นกัปปิยะกับปิยะภูมิเนี่ย ไม่ได้ไปทำอะไรเลยมีวิหารหลังไหนหรือว่ามีเรือนหลังไหนอยู่ในวัดนั้นก็ใช้ทําเป็นกับยักษ์ดีใช้เป็นกับยักภูมิได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่มีรั้วล้อมวัดมีสองอย่างก็คือถ้าไม่มีรั้วล้อมวัดเลยก็เป็นอารามโคนิสาฎิกาแต่ถ้ามีรั้วล้อมเศนาสนะแต่ว่าไม่ได้ล้อมทั้งวัดก็อันนี้เป็นวิหาระโคนิสาฎิกาก็าหมายถึงโคจ่อมหรือว่าโคเข้าไปได้ ถ้าร้องรั้วเมื่อไหร่ก็กับย่าภูมินั้นก็เป็นอันใช้ไม่ได้ถ้าล้วน้ําทําลายแล้วก็เป็นกับย่าภูมิได้อีกบท ว, ว่าข้าหาปฏิอันนี้ก็เป็นกับย่าภูมิอีกอันหนึง่งมีความว่าชนทั้งหลายทําอาวาสแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายกับย่ากุติขอท่านจงใช้สอยเถิดกับย่ากุตินี้ชื่อว่าข้าหาปฏิเพราะว่าพวกข้าบดีถวาย แม้เมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อทํากั บ, บิยปุตติดังนี้ย่อมควรเหมือนกันส่วนในอัญชะกะอัตถกถาแกว่าเพราะเหตุที่ของที่รับจากมือของสาธ ร, รมิตรที่เหลือเว้นพิสุเสียและของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงของเป็นสันนิธิและของที่เป็นอันโตวุตตะของสาธ ร, รมิตรที่เหลือและของเทวดามนุษย์เหล่านั้นย่อมควรแก่พิสุ ฉะนั้นเรือนแห่งสะทธธรรมิตรเหล่านั้นหรือกับยัคุติที่สะทรรมิตรเหล่านั้นถวายจึงเรียกว่าขะหาปฏิอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกกระหัดถวายพวกสะทรรมิตรยกเว้นพวกพิสุก็คือพวกพิกษุณีพวกสิกขามานาสมเนธสัมเนรีนี่ก็ถวายได้เหมือนกันก็เรียกขหาปฏิมิใช่แต่เท่านั้นท่านยังกล่าวอีกว่าเว้นที่อยู่ของพิกสุสงเสีย ที่อยู่ของพวกนางพิกชณีหรือของพวกอารามิกบุรุษหรือของพวกเยรถีหรือของเหล่าเทวดาหรือของพวกนาหรือแม้วิมานแห่งพวกพรมย่อมเป็นกับปยกุติได้ก็เฉพาะเว้นที่อยู่ของพิกจุสงเสียนะอย่างอื่นนี่ก็ใช้เป็นกับปิยกุฎีได้หมดเลยคำนั้นท่านกล่าวชอบจริงอยู่เรือนเป็นของสงเองก็ดี เป็นของพิกสุปดีเป็นก็หาปฏิกุติไม่ได้คือกุติของข้าบดีเนี่ยไม่ได้เฉพาะที่เป็นกุติของพิสุหรือว่าเป็นเรือนของสง์เตือนที่เป็นของสงเองหรือว่าเป็นของพิสุใช้เป็นขภาพปฏิกุติไม่ได้กับยักกุดีที่พิกสุส่วนประกาศทําด้วยยักติทุติยกรรมวานจาชื่อว่าสัมมุติชนี้แหละก็คือถ้าส่วนประกาศ เอาเรือนหรือว่าอากุติลังได้ลังหนึ่งมาส่วนประกาศบอกกล่าวกันให้รับรู้ว่าอันนี้จะทําเป็นกับยัคกูดีอันนี้ก็เรียกว่าสามมุติก็แล้พิสูจนทั้งหลายพึงสมมุติอย่างนี้พิสูจผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติตุติยกรรมวาจาว่าสุมาโตเมผันเตสังโฆยดีสังคัสปตะกัลัง สังโฆอิทั a นามังวิหารังกับิยะภูมิสมมันยะสาญาเตสุมาตเมพันเตสังโฆอิทันามังวิหารังกับิยะภูมิงสมนติยสาสมโตภมติอิทันามสาวิหะรสากับปิยภูมิยาสมติโสตุนะสะ ยาสานัคามติโซภาเสยะสัมมโตสังเขนิทนานโมวิหาโรโอกปิยภูมิคมติสังัสะตัสมาตุนีเอวะเมตังทารามิแม้ไม่กล่าวกรรมวาจากระทำการสวจตรกาศด้วยสามารถแห่งอปาโลกนกกรรม ก็ชื่อว่าเป็นอันสมมุติเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้อัปโลกก็ได้ถ้าไม่ใช้ยัติทุยกรรมวาจาจะใช้อัปโลกก็ได้เหมือนกันอามิตรใดค้างอยู่ในกัปยภูมิสี่เหล่านี้อามิตรนั้นทั้งหมดไม่นับว่าอันโตวุฒะก็คือเก็บไว้ไภายในเพราะว่ากัปยกุติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเพื่อปลดเรื่องอันตวุฒะและอันโตปกกะ หมายถึงทําให้ศพในภายในที่อยู่ของภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายส่วนอา mith ไดเป็นของสงกรดีเป็นของบุคคลก็ดีเป็นของภิกษุหรือภิกษุณีก็ดีซึ่งเก็บค้างไว้ในเรือนซึ่งพอจะเป็นอาบัติเพราะสาเสยะได้ในอากัศยักภูมิค้างอยู่แม้ราตรีเดียวอา mith นั้นก็เป็นอันโตวุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นจะเป็นอา mith คืออาหารอะไรทั้งหลายเนี่ย เฉพาะอาหารที่เป็นของสงหรือของบุคคลของพิสุทธิ์พิสุนีก็าตามจะไม่ได้เก็บไว้ในกัปปิยะภูมิเอาไปเก็บไว้ในอัคติยะภูมิก็คือที่อยู่ที่นอนของพระวิษุของสงต่างๆเหล่า น, นี้เป็นอันโตวุฒะและอามิตรที่ให้สุกในเรือนนั้นย่อมจัดเป็นอันโตปะ ก, กะให้สุกในภายในอามิตรนั้นไม่ควรแต่ของที่เป็นศรัทธาตาดิกและยาวะชีวิตควรอยู่ก็คือ จะเก็บสัตหการลิบหมายถึงพวกเนยไถ่น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยที่มีอายุเจ็ดวันกาบยาว้ชีวิตเึง่เป็นยานเอาไว้ในที่อยู่ของพระพิกฑุควรอยู่ไม่เป็นไรวิธิชัยในอันตวุ ธ, ธะและอันตปกะนานพึงทราบดังนี้สามะเนนนำอามิตรมีเท้าสารเป็นต้นของพิกฑุมาเก็บไว้ในกัปปิยะกุติรุ่งขึ้นหงถวายอามิตรนั้นไม่เป็นอันตวุ ธ, ธะ ว่าเอามาเก็บไว้ในกัปปิยะกุติสมมเณรเอาของสิ่งในสิ่งหนึ่งมีเนยใสยเป็นต้นที่เก็บไว้ในอกัปปิยะกุติใส่ลงในอามิตรมีข้าวสุขเป็นต้นนั้นถวายอามิตรนั้นจัดเป็นมุขสันนิธิก็คือมีคติเหมือนกับสันนิธินั่นแหละเพราะว่าเนยใสยนั้น่ะเอาเก็บไว้ในอกัปปยะกุติก็คือเก็บไว้ในที่อยู่พระวิสุ แล้วก็เอามาใส่รวมกับอาเมธซึ่งเป็นข้าวสุกเพราะฉะนั้นก็เนยใสนั้นก็จะมีสติเป็นอาเิตไปเอาเก็บไว้ตั้งหลายวันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นมุขสันนิธิแต่ในมหาปัญจลีแก้ว่าอาเิธนั้นเป็นอันโตวุตถะก็กลายเป็นเก็บไว้ในภายในเพราะว่าเนยใสมาปนกับอามิธก็มีสติเหมือนกับอามิต ความกระทําต่างกันในมุขสันนิษิและอันตุถะนั้นก็เพียงแต่ชื่อเท่านั้นที่ตัวอนวยสทยเก็บไว้ในอากัปยกุติและผักที่เป็นยาวัชีิวิทอดเข้าด้วยกันแล้วฉันผักนั้นเป็นของเปราะจากอามิตรควรฉันได้เจ็ดวันผักเป็นยาวชีิวิทมีอายุได้ตลอดชีวิตก็คือรับประเันแล้วเก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุ แต่ว่าถ้าเอาไปประสมกับเนยใสที่เก็บไว้ในอากพิยกุติเหลือเจ็ดวันโดยของผสมกันเรียกว่าอมิตรที่เจือกันเนี่ยผัก น, นั้นก็เป็นของปราศจากอมิตรฉันได้เจ็ดวันถ้าพิกจุฉันปนกับอมิตรผัก น, นั้นเป็นอันโตวุตถะด้วยเป็นสามะประกาศด้วยก็คือเป็นการทําให้สุขเองแล้วก็เป็นอันโตุตถะเก็บไว้ในภายในด้วยถ้าไปป น, นกับอมิตรรเพาะฉะนั้นถ้าฉันไม่รวมกัอมิตรนี่ฉันได้ แต่ถ้าไปปนก อ, อมิตรนี่ก็อันตวุวทะก็เป็นอัตถุ ก, กฎสามะประกะก็เป็นอัตถุ ก, กฎเหมือนกันความรัคนกันแห่งการลิขทุกอย่างพึงทราบโดยอุบายนี้พิสูจน์จะหุงต้มอมิตรอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ควรจะไปหุงต้มอะไรนี่ที่มันยังไม่สุกแล้วก็ทําให้มันสุกนี่ไม่ได้นะเป็นอัตเป็นสามะาประกะพิสูจน์ไม่มีหน้าที่ในการหุงต้มแล้วแต่ว่าอุ่นของที่มันจุกแล้วนี่ได้ แม้ส่วนทั้งหลายใส่ใบผักชีก็ดีขิงก็ดีเกลือก็ดีลงในข้าวต้มที่ร้อนสำหรับทิสตุนั้นทิสตุไม่ควรจะคนข้าวต้มนั้นแต่จะคนด้วยคิดว่าจะให้ข้าวต้มเย็นควรอยู่แต่ว่าจะให้ผักสกนี้ไม่ได้จะให้พวกขิงพวกผักชีสกนี้ก็เป็นสมมติาะมองกันแต่ว่าถ้าตั้งใจว่าจะให้ข้าวต้มเย็นนี้ไม่เป็นไ ร, ราะนันก็อยู่ที่เจตนาด้วยนะ แม้ได้ข้าวสุกที่เป็นท้องเลนแล้วจะปิดไว้ย่อมไม่ควรคือมันยังไม่สุกดีมันจะไีเอาฝาไปปิดไว้ให้มันระอุให้มันสุกนี่ก็ไม่ควรแต่ถ้าชนทั้งหลายปิดแล้วถวายมาจะปิดไว้ควรอยู่หรือจะปิดไว้ด้วยคิดว่าข้าวสุกจงอย่าเย็นคือรักษาความอุ่นเอาไว้ควรอยู่อันหนึ่งในนมสดและเปรียนเป็นต้นที่เผาต้มเดือดแล้วครั้งหนึ่ง ที่สูจะกอไฟควรอยู่ก็คือจะอุ่นน่ะเพราะการทําให้สุกอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้อุ่นเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นนมสดเป็นเปรียงที่เขายังไม่ได้ทําให้เดือดยังไม่ได้อุ่นยังไม่ได้ต้มมาจะเอาไปต้มให้มันสุกนี่ไม่ควรถามว่าก็ภพิยะกุตินี้เมื่อไรจะละวัตถุเล่าหมายถึงเมื่อไหร่มันถึงจะสิ้นความเป็นภพิยกุติไป หมดสภาพความเป็นกับยกุติตอบว่าควรทราบว่าอุสาวะนันติกาก่อนกับยักขุติใดที่เขาทำเสีย บ, บนเสาหรือในเชิงฝากับยักขุตนั้นจะละวัตถุต่อเมื่อเสาและเชิงฝาทั้งปวงถูกหรือเสียแล้วก็คือถ้ารื้อเสาหรือว่ารื้อเชิงฝาเมื่อไรหร่เหลือแต่หลังคาเอาไว้ซึ่งก็ผุพังอันนั้นก็หมดสภาพเป็นกับยกุตีแนละ แต่ถ้าหาชนทั้งหลายเปลี่ยนเสาหรือเชิงฝาเสียสาหรือเชิงฝา ใ, ใดๆยังคงอยู่กัปยาปุติย่อมตั้งอยู่บนเสาหรือเชิงฝานั้นแต่ย่อมละวัตถุต่อเมื่อเสาหรือเชิงฝาถูกเปลี่ยนแล้วทั้งหมดก็คือเอาเสามาเปลี่ยนทั้งหมดสิ่ต้นเลยนะถ้าไปกล่าวว่ากัปยากุติงกะโรมะที่เสาสี่ต้นถ้าถูกเปลี่ยนทั้งหมดโดยก็สิ้นความเป็นภาพกัปยาพูดีเหมือนกัน กัปปิยะกุติที่ก่อด้วยอิฐเป็นต้นย่อมละวัตถุในเวลาที่วัตถุต่างๆเป็นต้นว่าอิจหรือศีดาหรือก้อนดินที่วางไว้เพื่อรองฝาบนที่ซึ่งก่อขึ้นเป็นของที่น่าไปแล้วส่วนกัปปิยะกุติที่อธิฐานด้วยอิฐเป็นต้นเหล่าใดเมื่ออิฐเป็นต้นเหล่านั้นแม้ถูกรื้อเสียแล้วแต่อิฐเป็นต้นอื่นจากอิฐเดิมนั้นยังคงเหลืออยู่กัปปิยะกุติยังไม่ละวัตถุก่อน ก็คืออิฐที่อธิษฐานนันพังไปแล้วทุกด้านอ น, นั้นถึงจะละวัตถุแม้จะเอาอิฐใหม่มาเปลี่ยนก็ไม่เป็นวัตถุนั้นแล้วไม่เป็นกับยักกุฎีแล้วกัรปิยักุติที่ชื่อว่าโคนิสาดิการย่อมละวัตถุต่อเมื่อเขาทําการล้อมด้วยกําแพงเป็นต้นที่สุควรได้กับยักกุติในอารามนั้นอีกแต่ถ้าเครื่องล้อมมีกําแพงเป็นต้นเป็นของพังไปที่นั้นๆแม้อีก โคทั้งหลายย่อมเข้าไปทางที่พังนั้นๆกุตินั้นย่อมกลับเป็นกัปปิยกุติอีกก็คือต้องไม่มีรั้วรอมจึงเป็นกัปปิยกุดีได้แต่ถ้ารั้วนั้นเขาร้อมแล้วก็สิ้นความเป็นกัปปิยกุดีไปนอกจากว่ามันพังแล้วก็โคสามารถยะรอดเข้าไปในที่นั้นได้ก็กลายเป็นกัปปิยกุดีอีกส่วนกัปปิยะกุติสองชนิด น, นี้จะละวัตถุต่อเมื่อ เครื่องมุงทั้งปวงผุพังหมดคือผุพังหมดไปเหลือแต่เพียงกรอนถ้าบนกรอนทั้งหลายยังมีเครื่องมุงเป็นผืนติดกันเป็นแถบแม้หย่อมเดียวยังถือว่าคงสภาพอยู่อีกสองอย่างก็คือที่สมมุติแล้วก็พวกขาบดีถวายหรือว่าจะเป็นศาสธมิกทั้งห้ายกเว้นที่สุดศาสธมิกที่เหลือถวายก็แล้วแต่หรือว่ า, บบากับพิจคดีที่สมมติกันขึ้น ตอเมื่อเครื่องบูงบังผูกพังไปหมดแล้วจึงจะละสภาพศัพยกุณดีถามว่าก็ในวัดใดไม่มีกัปปิยะภูมิทั้งสี่อย่างนี้ในวัดนั้นจะพึงทําอย่างไรตอบว่าพิจตุพึงให้แก่นุสำบำณทําให้เป็นของเธอแล้วฉันจะเป็นพวกมาม่าปลากระป๋องหรือว่าพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารเนี่นะเพราิจตุเอาเก็บไว้ไม่ได้แต่ว่าให้กับสามเณรไป ทำให้เป็นมองเธอแล้วสามเนรฉลาดจะเอามาให้ฉันถ้าสามเนรไม่ฉลาดขอได้อนกันต้องอาศาธรรมิกทั้งห้าในขอได้ในข้อนั้นมีเรื่องสาทกดังนี้ได้ยินว่าพระกระวิกะติสเทระผู้เป็นหัวหน้าแห่งพระวิ น, นัยทรได้ไปถูกจำนักของพระมหาสิวะเถระท่านเห็นหม้อเนย ใ, ใสด้วยแสงประทีปจึงถามว่านั่นอะไรขอรับพระเถระตอบว่าผู้มีอายุ หม้อเนยใสเรานํามาจาัดมาสเพื่อต้องการฉันเนยใสในวันที่มีอาหารน้อยลำดับนั้นพระติสัทเธระจึงบอกกับท่านว่าไม่ควรขอรับคือเนยใสนี้ความจริงเก็บไว้ได้เจ็ดวันแต่ว่าจดุดประสงค์ท่านก็คือจะอามาฉันก็ว่าในวันที่มีอาหารน้อยและอ่อนเพลียเนี่ยก็จะามาฉันก็เลยมีคติเหมือนกับว่าจะทําให้อิ่มก็เลยบอกว่าไม่ควร ในวันรุ่งขึ้นพระเถระจึงให้เก็บไว้ที่หน้ามุกปกติก็จะอยู่ที่ในกุฏินั่นแหละท่านก็เลยให้เอาออกมาเก็บไว้ที่หน้ามุกรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพระติสเถระมาเห็นหม้อในึสงใสนั้นจึงถามอย่างนั้นแหลและบอกว่าการเก็บไว้ในที่ซึ่งควรเป็นอาบัติเพราะสหเสยะไม่สมควรขอรับรุ่งขึ้นพระเถระให้ยกออกไปเก็บไว้ข้างนอก พวกโจรก็ลักหม้อเนยใส่นั้นไปท่านจึงพูดกับพระติสัทเธระผู้มาในวันรุ่งขึ้นว่าผู้มีอายุเมื่อท่านบอกว่าไม่ควรหม้อนั้นเก็บไว้ข้างนอกถูกพวกโจรลักไปแล้วลําดับนั้นพระติสัทเธระจรึงแนะท่านว่าหม้อเนยใส่นั้นพึงเป็นของอันท่านควรให้แก่อนุปสมบัตไม่ใช่หรือขอรับเพราะว่าครั้นให้แก่อนุปสมบัตแล้วจะทําให้เป็นของอนุปสมบัตแล้วฉัน ก็ย่อมควรอันนี้เป็นเนยใสแต่ว่าจะมาฉันเหมือนจบเป็นอาหารหรือว่าเป็นอาหารก็ตามถ้าเป็นอาหารแล้วเนี่ยเอาให้แกอนุสัมบัณไปแล้วก็ฉันขว อ, อนุสัมบันฑ์ก็ได้หรือว่าถ้ามันปลอดภัยก็ไปไว้ข้างนอกอย่างพระมหาสิวะเอาไปไว้ที่พ้นจากาศาสเสยะเนี่ยก็คือไว้ตามต้นไม้ตามอะไรก็ได้แต่ไม่มีพวกสัตว์พวกมดพวกอะไรจะมาจะมากินหรือว่า สมัยนี้ก็คงไม่มีโจรมารัดพวกน้ําตาลน้ําพึ่งน้ําอ้อยอก็อยู่ในวัดด้วยเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้สั ม, มนเนรเนี่ยเอามาประเคนฉันก็ไม่มีอบัตไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีคําแนะนําแล้วก็ถือว่าเป็นการยังไม่ได้สละด้วยว่าจะมีโทษแต่ถ้าเป็นเจตนาสละก็คือเอาไว้ตรงนั้นะใครจะเอาไปก็เอาไปเลย แต่ถ้าไม่มีใครเอาไปก็ให้สัมเนาโดยพิจารณามาก็ได้เหมือนกันก็ถามวินิจฉัยเรื่องกัปิยะภูมิสี่ในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังหะจบแล้วอหท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของสมาสมาสำนึกเจ้ามีพระวินัยเป็นเบื้องหน้าแล้วก็อบรมเจริญสมาธิอบรมวิปัสนาพเพื่อรู้แจ้งโลตรธรรมด้วยกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ